ที่เริ่มพูทธะเทว ด, ดาอยู่บนฟ้าเขายัางต้องการมงคลมนุษย์เราไม่ชอบมงคลอยู่ไงกันจึงมีแต่เรื่องวุ่นยุ่งเหยนวุ่นวายเป็นแผดดินเทว ด, ดาสะถแส้งหามงคลสิ่งที่เป็นมงคลมีตั้งสิบสองปี ถามที่ไหนก็ไม่ได้เรื่องถามที่ไหนก็ไม่ได้เรื่องเวลาจะได้เรื่องก็ทราบกิธิศักดิ์ของพระพทุทธเจ้าในกรจะลูพึ้นแ ล, แล้วในโลกมึงมาถามทูลถามเรื่องที่เป็นมงคลอันนี้สรุปเอาเลยบรรดาที่เทวดาซึ่งเห็นว่า สิ่งต่างๆเป็นมงคลตามความรู้สึกของตอนนั้นมีมากมายก่ยกองแต่ไม่เป็นความจริงสุดท้ายกลับมาเจอความจริงกับพระพุทธเจ้าน่ะสั่งไยใครๆหามงคลที่ไหนแม้เทวดาก็ยังไม่เจอทั้งที่เทวดามีความละเอียดละออกว่ามนุษย์เรา ก็ยังหาสิ่งที่เป็นมงคลไม่เจอต้องมาหากับพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าก็มาตรัสสรุ้ในโลกนี้ด้วยเพื่อความเป็นมงคลของมนุษย์เราแต่เราไม่สนใจกับมงคลของพระพุทธเจ้านั้นมีมากมายกายกองจึงโดนตั้งแต่อปมงคลกันทั่วแผ่นดินไปที่ไหนมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายทุกข์ย่ำยากเรียนเรียนกันะจน หาลุงเล่าโรงเรียนจะให้ศึกษาแล้วเรียนไม่มีที่ไหนเต็มไปแต่นักศึกษาเพื่อหาความรู้ความฉลาดแต่สิ่งที่จะเป็นมง ค, คลตามความรู้ความฉลาดกลับเป็นนับประมง ค, คลแก่ตนไปเสียนี่คำว่าปัญญาชนมันก็ลบล้างกันไปได้กลายเป็นพารชนไปเป็นคนพาลภายในตัวเองเนี่ยคือหา สิ่งที่เป็นมงคลไม่เจอมีแต่อัปมงคลเต็มตัวยืนเดินนั่งนอนมีแต่อัปมงคลเต็มหัวใจเมื่อมันเต็มหัวใจม่หาที่เก็บไม่ได้แล้วมันก็ล่วงไหลออกมาทางวาจาทางกายคือความกระพึกเต็มไปด้วยความเป็นอัปมงคลทั่วดินแดงสิ่งที่เป็นมงคลผลต้องเป็นความทุกขความเดือดร้อน ไม่ว่าจะกระจายไปที่ไหนขึ้นชื่อว่าอภิโมงคลแล้วต้องให้ผลเป็นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้เคยมีมาตั่งเดิมควรจะเข็ดจะลาบสำหรับมนุษย์เคยได้เจอสิ่งเหล่านี้มาแล้วแล้วเป็นสัตว์ที่ฉลาดด้วยหรือศึกษาเราเรียนมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยสัตว์เขาไม่มีโรงร่ำโรงเรียนไม่มีครูมีอาจารย์เขายัางทรงตัวเป็นสัตว์ได้แล้วยิ่งไม่เอยกอ่อควาวุ่นวายเหมือนมนุษย์ ที่มีโรงรั้มโรงเรียนนี้เจออีกดีไม่ดีเราจะสู้เขาไม่ได้เราเรียนมากรู้มากแล้วก่อความไม่เป็นมง ค, คลให้แก่การละการมากมายอีกด้วยความรู้ที่เรียนมาเพื่อความสูกความเจริญแก่ประเทศชาติบ้านเมืองนั้นมันอยู่ที่ตรงไหนนิย่นเข้ามาถึงผู้เรียนอัดเดียนทมเรียนศาสนาปฏิบัติศาสนา อย่งคนก็ต่างในเรียนจนเดินไปจะไม่ได้แล้วมันหนักคำพีเต็มไปหมดเข้าบรรจุไว้ที่หัวใจเหมือนกับพัดรายปีโดกเคลื่อนที่แต่มันเต็มอยู่แต่ชื่อของกิเลสตัณหาอาสวะชื่อของอาจของธรรมทัวกิเลสจริงๆมันอยู่ภายในนั้น ไม่ยอมแก้ไขดัดแปลงหรือชำระซักฟอกมันทมก็เจริญขึ้นมาไม่ได้แม้จะเรียนชื่อธรรมได้ก็ตามก็ศัก์แต่ว่าชื่อองค์ของธรรมแท้ไม่ปรากฏภายในจิตจิตที่สอดแสวงหักความสุขความเจริญอยู่ตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งบัตรนี้และตลอดวันตายเลยจะมาเจอความสุขไม่ทราบความสุขเป็นอย่างไร จิตมีความหิวกรหาอยู่ตลอดเวลาไม่เคยจุดจางในการสอสแสวงหาหรืออยากรู้อยากเห็นอยากนั่นอย่างนี้ไม่มีอะไรที่จะเกินจิตไปได้มีความอยากอยู่เป็นประจำตนแต่ส่วนมากก็เป็นยาพิษที่สัมผัสเข้าไปเพราะจิตไม่ทราบว่าเป็นยาพิษรักมันก็ชอบเกลียดมันก็ชอบโกรธมันก็ชอบชอบไปหมดเพราะหาหลักเกณฑ์ไม่ได้ ธรรมชาติอันหนึ่งพาให้ชอบมันเหนืออำนาจจิตอยู่ภายในนั้นเป็นเครื่องบังคับบัญชาจิตใจใจนี้เป็นธรรมดารู้อยู่เฉยๆเนี่ยพูดตามหลักธรรมชาติของใจแล้วมีแต่ความรู้เท่านั้นแต่ความรู้นั้นยังยังไม่สักแต่ว่ารู้เฉยๆยังมีธรรมชาติอันหนึ่งที่มีความละเอียดเช่นเดียวกับจิตแทรกอยู่ภายในจิตความรู้นั้นจึงไม่ใช่ความรู้ที่แพ้จริง เป็นความรู้ที่เจือปนไปด้วยสินที่ปลอมจึงต้องอาศัยสติปัญญาการศึกษาเราเรียนมาก็เพื่อจะประคับประคองเพื่อจะรักษาจิตใจให้คิดเป็นทางที่ถูกที่ดีมีความเฉลียวฉลาดในสิ่งที่จะเป็นผลเป็นประโยชน์และเฉลียวฉลาดในสิ่งที่ไม่เป็นผล ป, นประโยชน์เพื่อจะได้ละเว้นหรือปล่อยวางด้วยสติจึงเป็นสิ่งสําคัญสนับใจ สติกับปัญญาเหมือนกับเป็นนายบังคับใจหรือเป็นผู้รักษาใจเพื่อความปลอดภัยของใจเองท่านจึงสอนให้อบรมสติปัญญาเป็นสำคัญโดยมีความภาคเพียรคือความอุตสาห์พยายามเป็นเครื่องสนับสนุนให้ได้ตั้งสติคิดด้วยปัญญาจนกระทั่งมีความสามารถหรือมีความแก่กล้าจะรักษาตนได้โดยลำหนักลาพังจิตเฉย อันใดพาให้คิดไปทางไหนไมันก็คิดพาไปไหนไปทางนั้นจิตไม่กลัวเป็นกลัวตายไม่กลัวบุญกลัวบาปไม่มีความรู้สึกว่าดีหรือชั่วประการใดเป็นติเพียงรู้เท่านั้นเราจะเห็นได้อย่างคนไม่มีสติเช่นคนเป็นบ้าเดินมัวงกงานอยู่ตามถนนหุนทางหาบอะไรตัวอะไรจะพายอะไรอะไรผลาญพลังส่วนมากมีแต่ของที่สลสอสมบัติทางนั้น สิ่งที่เขาหาพามหรือสะพายไปนั้นน่ะให้เป็นสิ่งที่มนุษย์มีสติสตังจะต้องการโดยแน่ชิ้นหนึ่งนอกจากเป็นความสุงทั้งเมศเช่นเดียวกับตัวเขาเท่านั้นนี่คือมีความมีแต่ความรู้เป็นอย่างนั้นคือไม่รู้ว่าดีว่าชั่วไม่รู้ว่าผิดว่าถูกประการใดมีแต่รู้แล้วความรู้นั้นยังมีธรรมชาติอันหนึ่งคอยผลักดันเป็นความอยาก คืออยากไปก็ไปอยากทําอะไรก็ทําไม่มีความรู้สึกสํานึกว่าผิดถูกดีชั่วประการใดเช่นเป็นนั่งอยู่ทางม้าลายสี่แยกหาบของสะพายของพลุงพลังนั้นไปนั่งอยู่กลางม้าลายสี่แยกเฉยจัดนั่นจัดนี่ด้วยไปไม่มองดูใครทั้งหมดมองดูแต่สิ่งของกุกุธันดาเต็มไปนั่นแหละถ้าประสามภาระที่เขา สปายมาหรือเขาหักมานั่นน่ะจัดนั้นจัดมีเรื่อยเหมือนกับเขามีหน้าที่การงานอันสําคัญของเขาเขาไม่สนใจกับใครที่รถมาจากแยกต่างๆซึ่งเป็นจุดรวมรถคันนั้นหลีกทันนั้นคันนี้หลีกนี้รถเลยจะชนกันเพราะหลีกเขาเองนี่เรายกตัวอย่างความไม่มีสติเป็นเครื่องบังคับเป็นเครื่องรักษาใจเป็นอย่างนี้ใจนั้นมีความรู้อยู่เท่านั้น แล้วมีอันหนึ่งที่เป็นเครื่องผลักดันให้จิตหมุนไปในที่ต่างๆแต่ไม่ทราบว่าผิดถูกชั่วดีประการใดมิจะอยากแล้วก็ทําไปตามความอยากเดินไปตามความอยากหยิบยกอะไรแบกบหามอะไรก็แล้วแต่เขาตามความอยากของธรรมชาติอันหนึ่งที่หนุนจิตให้ทํานี่แหละจิตประเภทนี้แหละที่ท่านว่ามันไม่ตายคือธรรมชาติอันนี้ ถึงจะเป็นบ้าก็ตามเป็นบอเป็นอะไรก็แล้วแต่เถอะความรู้อันนั้นหละเป็นกันตัวสำคัญของภพชาติที่จะพาให้เวียนว่าตายเกิดไปสุขไปทุกข์ไปดีไปชั่วประการใดก็คือธรรมชาติอันนั้นแต่ถ้าไม่ได้มีผู้รับผิดชอบคือสติปัญญาแล้วจิตจะหมุนไปตามเรื่องราวของตนอย่างนั้น นั่งเกิดนั่งเกิดก็เกิดแบบนั้นแหละเกิดแบบไม่มีสติสตังไม่มีผู้รักษาสัตว์ไม่มีเจ้าของสติปัญญาซึ่งเป็นเจ้าของไม่มีถ้าเกี่ยวกับสัตว์ก็คือสัตว์ไม่มีเจ้าของแล้วแต่ใครอยากฆ่าอยากทําอะไรได้ทั้งนั้นไม่เหมือนสัตว์มีเจ้าของซึ่งมีผู้รักษาและใครๆก็เกรนกลัวเจ้าของเมื่อทําลงไปก็เป็นเป็นโทษ เดีพุทธเจ้าท่านประกาศาศาสนาที่เป็นสิริมงคลแก่โลกไว้มากมายกายกองแต่พราะอย่างยิ่งก็คือเป็นสิริมงคลแก่จิตใจเพราะจิตใจเป็นรังแห่งการแห่งงานทั้งหลายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นงานอาชีพหรืองานประเภทใดๆจนกระทั่งงานอบรมตัวเองทพืความเข้มแข็งเพืความบริสุทธิ์ วิมุตพระนิพพานก็อาศัยธรรมของพระพุทธเจ้าเราเรียกว่าสิริมงคลท่านกล่าวไว้ในธรรมบทหนึ่งแห่งมงคลทุปณีหรือม ง, มงคลสารที่แปดตระการว่านิมบาลสัชฉิกิริยาเอตมังคารมุตตมังนี่นิพพานเป็นการกระทำให้แจ้งซึ่งพรนิพพานนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดน นี่ก็มงคลอันหนึ่งในมงคลสามทีปดประการเพียงมงคลสามที่ดนี่ก็ครอบโลกาธาตุแล้วบรรดาที่เทวดาทั้งหลายต้องการความเป็นมงคลพระพุทธเจ้าทรงสแสดงให้ทราบถึงมงคลถึงสามทีแปดมงคลสามที่แปดประการจึงลวนแล้วตั้งแต่เป็นมงคลเป็นชั้นชันขึ้นไปจนกระทั่งถึงมุติหลุดพ้นเป็นมงคลอันอุมสูงสุดไม่เหนือนอกเหนือไปจากมงคลสามทีแปดนี่เลยอันนี้เป็นต้นอันใหญ่เป็นรากแก้ว อันสคัญแตข่ขะแหนงออกไปถึงแปดหมุ่งสีพันพระธรรมขันย้นแล้วจะออกจากมงคล3สามสิบแปดนี้เท่านั้นเสวนาจะพาระนังปันธิตานั้นจะเสวนานี่ขึ้นตนแม่คบคนพานสันดานหยาบใม่คบบัณฑิตนักปราชเนี่ปูชาจะปูชนียนานังเอตมังคารมุตตามัง ให้เคารพบูช า, บ, บ, ชาบุคคลที่ควรเคารพบูชาเนี่ยเป็นขั้นๆไปคำว่าคนผ่านคือคืออะไรใครเป็นผ่านเราจะเห็นแต่คนอื่นเป็นผ่านโดยไม่คํานึงถึงความเป็นผ่านของเราก็เรียกว่ามองเรียกว่ามองข้ามตนไปเราต้องมองทั้งข้างหน้าข้างหลังคือตัวของเราเป็นสาคัญ เมื่อเราไม่ครบคนพา น, นั้นแล้วเรายังจะยินดีในความเป็นผ่านของเราอีกซึ่งเกิดขึ้นจากขณะจิตที่คิดขึ้นในแย่ต่างๆอันเป็นความไม่ดีที่เรียกว่าเป็นผ่านภายในจิตของตนเองให้พยายามปล่อยวางหรือละเว้นอย่าครบกับความเป็นผ่านเช่นนั้นแม้ไม่ครบคนพานภาย น, นอกแต่ก็ยังยินดีในความคามิดคําเห็นความเป็นของตนที่เป็น่าน ที่เป็นพี่เป็นภายแก่ตอนอยู่ก็ชื่อว่าเป็นผู้ควบคนพานคือตัวของเราเองควบเราในสิ่งที่ไม่ดีซึ่งเกิดขึ้นจากเรานครบบัณฑิตนักปราชญ์ควบบัณฑิตนักปราชญ์ภายนอกก็เป็นความดีความชอบเป็นมงคลประเภทหนะึ่งควบครูบาอาจารย์ผู้เป็นอัดเป็นธทำให้การแนะนำท้ามสอนเราให้รู้จักดี จ, กจักชั่วพอเป็น แนวทางที่เราจะฟิตความรู้ความฉลาดให้กลายเป็นปราดขึ้นมาภายในจิตใจของเรานักปราดก็คือความเฉลียวฉลาดในความเป็นธรรมในทางที่เป็นธรรมพยายามส่งเสริมความดีเหล่านี้ขึ้นภายในตัวเองความคิดใดที่เป็นมงคลให้พยายามส่งเสริมความคิดนั้นขึ้นให้มากเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสติปัญญาที่จะไตรตรองในสิ่งดีสิ่งชั่วทั้งหลาย เพื่อดําเนินไปด้วยความราบรื่นดีงามสม่ําเสมอแต่ต้นจนกระทั่งถึงอวสารแห่งธรรมเป็นเรื่องของเราที่จะพยายามอบรมส่งเสริมให้มีขึ้นภายในตัวของเราการบูชาบุคคลที่ควรบูชาก็เราก็ทราบแล้วได้แก่ผู้ใดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สาวกก็เป็นบุคคลที่ควรบูชาบิดามารดา ครูอาจารย์เหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่ผู๊บควรบูชาทั้งนั้นอยกมาเป็นเพียงเอกเทศเรื่องว่ามงคลเป็นยังไงก็เพื่อความเป็นมงคลสำหรับตัวเราเองในบทที่ว่านิบานสัจฉิจิรยาจะนี่เป็นมงคลที่สูงสุดเหนือนโลกสมมุติโดยประการทั้งปวงเมื่อทาพระนิพพานให้แจ้งแล้วพระนิพพานอยู่ในสถานที่ใด การจะทำพนิพพานให้แจ้งจะทําอย่างไรก็ต้องทําสติทําปัญญาศรัทธาความเปลียนขึ้นชื่อว่าความดีแล้วพยายามทั้งนั้นรวมกันแล้วก็เป็นก้อนแห่งกุศลก้อนแห่งบุญเป็นเครื่องสนับสนุนที่จะแก้ไขหรือที่จะชั้น ล, ล้างสิ่งที่ปกปิดกำบังพระนิพพานให้เปิดเผยขึ้นมาพรนิพพานมีอะไรเป็นเครื่องปกปิด ก็เหมือนอย่างคระอาทิตย์ธรรมชาติของพระอาทิตย์ก็มีความสว่างสวยอยู่โดยธรรมชาติของตนแต่เมฆหมอกมันกําบังก็ไม่สามารถที่จะส่องแสงทะลุออมาสู่โลกของเราแจ่มแจ้ ง, จงชัดเจนได้เมื่อหมอกหมอกมันค่อยจางหายไปจนกระทั่งถึงไม่มีเมฆแล้วแสงสว่างของพระอาทิตย์ก็เต็มดวงเต็มที่จิตใจที่ถูกโมหะวิชาเป็นเครื่องปิดบังอยู่มันก็เป็นจิตใจที่มืดบอด ความรู้รู้แต่ไม่มีความเฉลียวฉลาดไม่แทนทะลุ ป, ปูุกโลงในสิ่งที่ปิดบังทั้งหลายอันเป็นตัวโมหะวิชักหันจึงสอนให้อบรมสติปัญญาให้ดีคำว่าพระนิพพานตามหลักแห่งความจริงแล้วนั้นไม่อยู่กับทุกคน แต่พระนิพพานนั้นเวลานี้กำลังถูกต้องหาเหมือนอย่างนักโทษไม่มีอิสระภายในตัวจึงเรียกว่านิพพานไม่ได้ได้แก่อะไรได้แต่ใจนั่นเองที่จะเป็นพระนิพพานได้ไม่มีอะไรที่จะเป็นได้ในโลกสมมุติที่มีอยู่กับมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนอกจากใจดวงเดียวนี้เท่านั้นธาตุสีดินน้ำลมไฟก็เป็นพระนิพพานไม่ได้ วัตถุต่างๆในโลกธาตุนี้ไม่มีสิ่งใด จ, จะสามารถเป็นพันิพานได้นอกจากใจดงเดียวนี้เท่านั้นจะเป็นพะนิพานได้เมื่อได้ถูกชำระเมื่อกิเลสอาสาชวตทั้งหลายซึ่งปกปิดกำบังจิตใจนี้ได้ถูกชำระไปโดยลำดับจนกระทั่งไม่มีสิ่งใดเหลือภายในจิตใจเลย จ่เรียกใจนั้นชื่อเรียกว่าพระนิพพานก็ได้ไม่เรียกก็ไม่ขัดพราอหมดปัญหาไปแล้วโดยประการทั้งปวงที่จะเป็นข้อข้องใจว่าควรเรียกหรือไม่ควรเรียกนี่คือมงคลอันสูงสุดอยู่ที่ตรงนี้เพียงเราอบรมจิตใจให้มีความสงบร่มเย็นก็เป็นมงคลแก่เราใจเป็นสิ่งที่มีเจ้าของเราเป็นผู้รับผิดชอบ ยึงไม่ควรปล่อยใจให้เป็นไปตามอาเภอคำว่าเป็นไปตามอำเภอใจนั้นมันเป็นเรื่องของกิเลสเป็นผู้ควบคุมรัะฉะนันคำว่านิพานกำลังถูกต้องหาก็คือใจที่จะเป็นพระนิพานได้แต่เวลานี้กำลังถูกต้องหาถูกจองจำอยู่ด้วยกิเลสอาสวัทั้งหลายมันหุ้มหอบปกปิดกำลังจงมืดมิดปิดตาตาไหตานอกมองเห็นก็ไม่มีปัญหา ก็ไม่เห็นเกิดผลประโยชน์อะไรที่จะทําให้ผ่านให้แจ้งได้ถ้าตาตาในคือปัญญาไม่เกิดเพราะฉะนั้นตาในคือปัญญาจึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะควรได้รับการอบรมส่งเสริมให้ดีไม่มีใครจะมีอํานาจวัสนามากน้อยกว่าใครอย่าไปคิดแข่งขันกันให้เสียวเวลาเและไม่เกิดประโยชน์อันใดนอกจากพยายามแข่งขันในระหว่างกิเลสกับธรรมนี้เท่านั้นซึ่งมีอยู่ในตัวของเราให้แข่งขันกันที่ตรงนี้ อำนาจน้อยก็เพราะมีกิเลสมากหุ้มห่อหัวใจปกปิดกำบังครอบงำจิตใจอยู่หาเวลากระดิดพกพลิดแพงออกไปให้เป็นความสะดวกสบายภายในจิตใจไม่ได้จึงเรียกว่าจิตเป็นผู้ต้องหาพยายามกำจัดสิ่งเหล่านี้ออกสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่กำจัดได้พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาที่แรกก็ในอุบัติขึ้นมาใ น, ในท่ากลางแห่งความโศกรปรกคือกิเลสอาสวะ พระราชบิดามัมนดาน์ลุนแล้วตั้งแต่เป็นผู้มีกิเลสสิทธัตถราชกุมารองค์ที่จะเป็นศาสดาก็เป็นผู้มีกิเลสเกิดขึ้นมาในถ้ำกลางแห่งกิเลสแล้วพระพุทธเจ้าคราเป็นสิธัตถาราชกุมารจะไม่เป็นคนมีกิเลสได้อย่างไรแต่ทําไมจึงบริสุทธิ์ได้กลบริสุทธิ์ได้เพราะความภาคเพียรโดยถูกทางจึงได้เป็นศาสตาของโลกขึ้นมา บรรดาพระสาวกล้วนแล้วตั้งแตเกิดในถ้ำกลางของความโสกกรปรงทั้งนั้นกิเลตไม่ไม่ว่าประเภทใดไม่เรียกก็เป็นของสะอาดเป็นของสปกปรงโสมมเพราะฉะนั้นเวลาแปดเพื้อนอันใดจึงจะต้องในชาได้ล้างไม่ชาไม่ล้างไม่ได้มันระบายทางจิตก็ต้องในชำระประสามจิตใจลรว่าระบายทางวาจาก็สปกปรกระบายทางกายก็สปกปรงเพราะตัวธรรมชาติ ของกิเลสเป็นทาเป็นสิ่งที่สกปรกอยู่แล้วแล้วเราจะชาระด้วยอะไรด้วยน้ำคือธรรมโอสถเป็นสิ่งสำคัญพยายามชาระจิตใจเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากและมีเจ้าของคือตัวของเราเมาเอาสติปัญญาเป็นเจ้าของในระยะนี้เราคอยรับผิดชอบเราเพราะผลที่จะพึงเกิดขึ้น จากจิตนั้นเราเป็นผู้จะได้รับความทุกข์ความกระทบกระเทือนมากน้อยจากกระทบกระเทือนตัวของเราคือจิตนี้เองไม่กระทบผู้อื่นใดก่อนอื่นเราต้องนมัตระวังใครยังไม่ทราบมรรคตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญก็ให้พยายามทราบด้วยวิธีปฏิบัติตัวนี้และตัวตัวตายตัวเกิด ถือพบน้อยพบใหญ่ไอ้คำว่าตายจริงๆนั่นตัวจิตนี้ไม่ปรากฏแต่ความสำคัญของโลกความสมมติของโลกนั้นคิดว่าเกิดตายนั้นหมายถึงจิตไปสวมในร่างใดเรียกว่าเกิดแล้วร่างนั่นสลายไปเรียกว่าตายความเกิดตายมีอยู่กับร่างนี้ต่างหากไม่ได้มีอยู่ภายในจิตทีนี้เราเลยเป็นเหมาเอ า, เอาทั้งจิตด้วยมาตายแล้วศูน ก็มีตายแล้วเกิดก็ยังพอทำเานยือตายแล้วศูนย์นี่เป็นคนสิ้นท่าเป็นคนหมดท่าจริงๆหาทางออกไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่มัดใครไม่ใช่ใครเป็นคนจนกรอกจนมุมก็คือผู้นั้นเองเพื่อความไม่จนกรอกจนมุมจึงต้องพยายามแก้ไขที่จุดนี้ให้ทราบอ้าวตายแล้วศูนย์จริงๆเหรือ หรือตายแล้วเกิดให้ทราบที่นี่พระพุทธเจ้าท่านทราบที่นี่พ่อเรียนที่นี่ปฏิบัติที่นี่ตัวเหตุสําคัญเป็นที่ตั้งแห่งป่าช้าก็คือจิตไปเที่ยวจับจองป่าชา้าทั้งทั้งที่ไม่ตายนี่ก็คือจิตไม่มีอันใดที่จะตั้งป่าชา้าไปเที่ยวจับจองป่าช้ายิ่งกว่าจิตนี่เลยจึงต้องแก้กันที่ตรงนี้ แล้วจะทราบภายในปัจจุบันของกิจนี้จะไม่ต้องถามใครเลยแม้พระพุทธเจ้าจะประทับต่อหน้าอยู่ก็ไม่ถามเมื่อเข้าถึงตัวจริงแล้วจะเป็นเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าที่ทรงทราบมาก่อนพวกเราผลประทันว่าสันติทิโกผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นเองภายในตัวเองเช่นเดียวกับพ ร, ร, ระพุทธเจ้าที่ทรงรู้และทรงสั่งสอนไม่แล้ว แม้พระองค์ประทับอยู่ที่ตรงหน้าก็จะไม่ทูลถามใดๆสิ่งใดๆทั้งหมดเพราะสิ้นสงสัยแล้วเนื่องจากท ร, ร ม, มาอันแทริงนั่นเหมือนกันท่านกล่าวไว้ในธรรมอาอวิชชาปัจจยาสร้างฆาราอาวิชชาวิแปลว่าแจ้งชาแปลว่ารู้เอาจะแยกธาตุก็ได้ญาธาตุแปลว่ารู้เอายาเป็นชาเน่ย อ่ะปฏิเสธรู้แต่ไม่แจ้งไม่ชัดนะรู้แบบคนมีกิเลสหาความชัดไม่ได้เห็นก็ไม่ชัดรู้ก็ไม่ชัดได้ยินอะไรก็ไม่ชัดหากได้ยินพูดรู้ถ้อยรู้ความคนที่เป็นภาษาเดียวกันพูดกันรู้เรื่องแต่ไม่ชัดมันไม่ชัดอยู่ภายในจิตเพราะจิตเป็นตัวไม่ชัด สิ่งที่ไม่ชัดมันหุ้มห่ออยู่ภายในจิตแสดงออกที่ไหนจึงไม่ชัดเช่นเดียวกันกันกบหลอดไฟถ้าแก้วมันดำไฟจะส่งแสงอย่างไหนมันออกมามันก็ต้องเป็นดำๆอย่างนั้นถ้าหลอดไฟสีอะไรก็จะแสดงออกมาในแบบนั้นกิเลสประเภทใดมันหุ้มห่อจิตใจอย่างไรมันจะแสดงออกมาแบบนั้น มันมืดมากก็แสดงออกมาด้วยความมืดมากความหลงความไม่รู้มีน้อยก็แสดงออมาน้อยนี่แหละตัวที่พาให้สัตว์ทั้งหลายไปเกิดไปตายดีชั่วคือความสุขความทุกข์การทําบุญทําบาปมีอยู่ทุกตัวสัตว์ตัวบุคคลเราอยากเข้าใจว่ามนุษย์เรานี่ทําบาปได้ทําบุญได้เลยสัตว์ก็ทําได้ เฉพาะ อ, อย่างยิ่งทำทำบาเอ็กซ์เขากินกันอย่างนี้เป็นต้นหินงูกินเขียดนแต่เขาไม่ทราบว่าบาปเป็นยังไงบุญเป็นยังไงในวาลานั้นเขามืดมากยิ่งกว่าพวกเราเขาก็ทําไปตามเรื่องของเขาคำว่ากรรมแปลว่าการกระทํานั่นทำไมสัตว์จะกระทาไม่ได้คิดทางใจก็เรียกว่ามโนกรรม พูดทางวาจาเรียกว่ า, วาจีกรรมกระทำทางกายเรียกว่ากายกรรมหมุนไปทางที่ดีเรียกว่ากุศ ล, ลกรรมหมุนไปทางที่ชั่วเรียกว่าอกุศ ล, ลกรรมทั้งสองประเภทนี้ทาใครเป็นผู้บงการเป็นผู้ทําก็คือใจเป็นผู้บงการทำแล้วที่บรรจุแห่งวิบากคือความสุขความทุกข์บรรจุกันที่ไหนเหตุเกิดขึ้นที่ไหนผลจะปรากฏขึ้นที่ไห น, น เหตุเกิดขึ้นที่ใจผลจะจะต้องปรากฏอยู่ที่ใจใจเป็นผู้ไม่ตายสิ่งเหล่านี้จึงต้องติดตามใจไปเป็นวิบากมีสุขบ้างทุกบ้างทั่วโลกทั่วดินแดนเพราะทำทั้งดีทั้งชั่วความสุขความทุกข์จริงทุกข์จริงต้องมีประจำภายในจิตใจแม้ร่างกายจะแตกสลายไปแล้วแต่ธรรมชาตินั้นไม่แตกไม่สลายเป็นไปกับใจผ่านจิไม่ให้ประมาทในการกระทากรรม เพราะทาได้ด้วยกันนี่เป็นสิ่งที่ลบล้างไม่ได้ใครจะมาหมาปไม่มีบุญไม่มีสวรรค์นรกไม่มีก็าตามเป็นแต่เพียงความสําคัญของบุคคลที่มีกิเลส ข, ของบุคคลที่มองอะไรไม่ชัดตาผ้าฟังไปเท่านั้นที่เรียกว่าอาวิชชาพาให้ผ้าให้ฟังให้มืดให้บอดพูดไปตามความสําคัญไม่ใช่พูดตรงตามหลักความจริงดังพระพุทธเจ้าที่ทรงรู้ความจริงแล้วด้วยการปฏิบัติจริงจึงหาหลักฐานกฎเกณฑ์ไม่ได้ ส่วนหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามีหลักฐานมีกฎเกณฑ์เพราะพระไทยเป็นธรรมชาติที่มีหลักฐานมั่นคงเป็นกฎเกณฑ์ดีที่สุดแล้วคือความบริสุทธิ์การรู้ทึกสิ่งทุกอย่างรู้ด้วยความบริสุทธิ์ใจเห็นด้วยความบริสุทธิ์ใจจึงเป็นสิ่งที่แน่นอนตายตัวแสดงทำบทใดบาตรใดออกมาไม่แสดงฤกษ์วความสุ่มเดาเหมือนโลกทั่วๆไปแสดงด้วยความเห็นจริงรู้จริงธรรมะหรือสิ่งนั้นๆจริง จะผิดไปไม่ได้หม่าม่ามีจริงบุญมีจริงก็ทรงแสดงตามหลักที่มีอยู่ของธรรมชาติเหล่านี้ซึ่งโรกทั้งหลายผิดกันอยู่ตลอดเวลาแล้วจะลบล้างผลเหล่านี้ไม่มีได้อย่างไรเมื่อเหตุผิดกันอยู่ตลอดเวลาผลจะสาบสูญไปไหนแต่ผู้ที่จะรับสัมผัสสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็คือใจ จึงต้องสั่งสมอบรมต้องฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้ดีเพื่อจะเป็นภาชนะหรือเพื่อจะเป็นสิ่งที่รับทราบสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นได้ดีภาชนะใดก็ตามในโลกอันนี้ไม่เหมือนจิตที่เป็นภาชนะสำหรับรับความกินทั้งหลายจะสัมผัสสิ่งใดใดทั้งหมดต้องสัมผัสที่จิตรับรู้กันที่จิตรู้แจ้งก็รู้แจ้งกันที่นี่ ที่รู้เป็นอวิชชาก็เป็นมาแล้วลุ่มๆุมดอนดอนชงสูงต่ตําๆรู้ความจริงก็รู้กันที่ใจอันใดที่ประจักษ์ใจแล้วหายสงสัยแทนั้นก่อนอื่นการจะสัมบะสัมผัสบาปสัมผัสบุญนั้นต้องสัมผัสที่ใจก่อนท่านจริงสอนให้พิจารณาที่นีเวลามันกำลังมืดบอดมันก็ไม่ทราบว่าอะไรเป็นอะไรแต่เวลาชําระเข้าไปเรื่อยเื่อเราจะค่อยเห็น ช่องเห็นทางไปโดยลํำดับลํำดับเรื่องวัตตะวณที่มันมีมากน้อยเพียงไรซึ่งบรรจุอยู่ภายใจิตใจนี้ก็จะทราบมันเป็นลําดับเข้าไปค่อยแก้เข้าไปแก้เข้าไปสํานอบก่อกไปเรื่อยๆจิตใจก็ค่อยมีความสว่างสวายขึ้นมาโดยลํำดับลาดับสิ่งที่มัวหมองอายก็ค่อยจางไปจางไปเพราะอำนาจแห่งความเพียนโดยมีสติปัญญาเป็นเครื่องมือสําหรับชําระจนกระทั่งถึงชําละ ให้บริสุทธิ์บรบูรเต็มที่แล้วด้วยอํานาจของมหาติมหาปัญญานั่นแหละการที่จะพูดได้ชัดถึงนรองสัตว์ตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญตลอดถึงกิจดวงนั้นเวลานี้จะเป็นอะไรต่อไปหรือเวลานี้เป็นอย่างไรอยู่นั่นตัวนี้เป็นตัวประธานตัวนี้เป็นตัวประกันเป็นความจริงที่จะรับรองในสิ่งทั้งหลายได้เพราะธรรมชาตินี้เคยเป็นมาแล้วทุกอย่างเรื่องการเกิดการตายก็มีอันใดที่จะนอกเหนือไปจากกิจดวงนี้ ความที่มีสิ่งที่จะพาให้เกิดให้ตายให้ดีให้ชั่วให้สุขให้ทุกข์ก็มีอยู่ภายในจิตดวงนี้และจิตดวงนี้ได้ชำระตนจนกระทั่งถึงหมดความสงสยัยไม่มีอันใดที่เหลืออยู่แล้วเหลือแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิล์ล้วนๆซึ่งประจักษ์อยู่ภายในตัวเองแล้วธรรมชาตินี้ต่อไปจะเป็นอะไรอีกก็ทราบได้ชัดแล้วเรื่องพบลงชาติตัดปัญหากันโดยสิ้นเชิงแล้วไม่มีเหลือเพราะอวิชชาซึ่งเป็นเหตุให้เกิดพบเกิดชาติได้สิ้น ยุติกันลงไปแล้วด้วยอํานาจของมหาสติมหาปัญญานะการเกิดมาแต่พบก่อนจนกระทั่งมาบัดนี้เกิดมาด้วยสาเหตุอันใดก็ทราบชาัดว่าด้วยสาเหตุอันนี้นะแล้วที่จะเป็นพบเป็นชาติต่อไปเป็นเพราะดสาเหตุไหนก็เป็นเพราะด้วยสาเหตุอันนี้เช่นเดียวกันเพราะอันนี้เคยเป็นมาและเคยเป็นไปอยู่ตลอดเวลาหมุนไปเรื่อยๆไม่หยุดไม่ถอยถ้าไม่ชําระธรรมชาติที่พาให้หมุนนี้เสียด้วยอํานาจของสติปัญญา จะหมุนไปอยู่เช่นนั้นโดยไม่มีการสถานที่เป็นกฎเป็นเกมฑ์ได้เลยต่อเมื่อความภาคเพียรด้วยสติปัญญาเต็มกำลังแก้ไขให้ขาดกระเด็นออกไปจากใจไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่แล้วนั่นแหลคือจิตแท้ที่นี่พูดได้จิตแท้เป็นอย่างนี้จิตแท้นี้ไม่ควรแก่สิ่งใดทั้งหมดเรื่องความเกิดความตาย เรื่องอะไรๆทั้งหมดขึ้นชื่อว่าสมมุติแล้วไม่ควรเจาะจิต ด, ดวงนี้โดยประการทั้งปวงอ่าทีนี้จิตนี้เป็นอะไรเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี่แหละธรรมชาตินี่แหละที่พระพุทธเจ้าวันนี้ผานนางปรมังสุญย่างสูนทั้งรู้ๆอยู่นี่แหละไม่ได้สูนแบบโลกสูนแบบจีบหายปนปีอย่างนั้นสูนปริพานธ์สูนอย่างทั้งทั้งที่รู้ๆ เพราะฉะนั้นคาําว่าศูนย์ของพลนิพานกับศูนย์ของโลกนั้นแบบโลกที่เข้าใจกันนั้นจึงผิดกันมากเอาไปเทียบกันไม่ได้แลนอกจากความศูนย์อย่างยิ่งของพลนิพานแล้วยังว่านิพานังปรามังสุขขังน่นความศูนย์ล้นล้วนของพลันิพานนั่นและคือความสุขอย่างยอดเยี่ยมไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนในโลกสมมุตนินี้นั่น นี่ผู้คือคือผู้ผู้รื้อป่าช้าผู้นี้สูนได้จริงสูนถึงขั้นความจริงไม่ได้สูนแบบปลอมๆเหมือนโลกทั้งหลายเสกสรรตั้นยอและสําคัญเอากันต่างๆดังที่เราทั้งหลายได้ทราบมาอันนี้ไม่สามารถที่จะลบล้างไม่สามารถที่จะให้ประโยชน์ประโยชน์อะไรเกิดขึ้นจากความสาคัญเหล่านี้เลยนอกจากจะก่อความกังวลวุ่นวายและส่งเสริมเกลียดประเภทต่างๆ ให้เข้ามากุ้มบูมจิตใจให้เกิดความดือดร้อนมากขึ้นเท่า น, นั้นไม่มีประโยชน์อันใดที่จะเกิดขึ้นจากความน้ำพัน์นอย่างนั้นท่านถึงสอนแล้วธรรมะเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นมงคลทั้งหมดมนุษย์เราอยู่เกิดมาเป็นเวลานา น, านตั้งมาเป็นแผ่นดินเป็นเวลานา น, านแล้วใครบ้างที่ต้องการมงคลดังที่ว่าเหล่านี้พระพุทธเจ้าประทานให้ด้วยความบริสุทธิ์ท่าไถ่มีใครสนใจจะ รับธรรมะของพระพุทธเจ้าไว้ด้วยความบริสุทธิ์ใจปฏิบัติให้เต็มสติกำลังความสามารถของตนเพื่อเป็นสอัิมงคลแก่ตนทั้งตนเองเราควรจะตั้งปัญหาถามเอาเรื่องอัปมงคลนั้นไม่ต้องพูดมีอยู่ทุกแง่ทุกมุมทุกแห่งทุกผนทุกตําบลหมู่บ้านทุกอเดียบดของบุคคลหนั้นเพราะผู้สร้างความเป็นอมอัปมงคลได้จากจิตเป็นผู้สร้างอยงตลอดเวลาะนั้นสร้างที่ตรงนี้ เนี่ยการถือศาสนาปฏิบัติศาสนายันนี้จากหลักใจเราจะไปคาดไปคิดว่าอะไรอยู่ที่ไหนมากมายนะจะทําให้เกิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายก่อควรตัวเองให้ไม่ให้เกิดประโยชน์และอยังเหมือนกับปักเสียบหนามกั้นทางตัวเองและปักเสียบตัวเองซะอีกความคิดเหล่านี้มันเป็นเรื่องความสงสยัยความสงสยัยนี้ก็เรื่องของกิเลสให้ถือหลักธรรมเป็นที่ตั้งกําจัดลงที่ตรงนี้ ใช้ไม่เคยเห็นและเกิดมาเรื่องความสุขความเจริญอย่างยอดเยี่ยมคือพระนิพพานเแต่ถ้าปฏิบัติตอแล้วก็เป็นอย่างนี้แม้เราจะไม่ได้อย่างนั่นก็าตามการปฏิบัติศีลทำเป็นสิ่งที่อำนวยความดีให้แก่เราโดยลําดับลํำดับเราจะได้ความสุขแค่ไหนก็เป็นที่พึงใจเพราะเราต้องการความสุขอยู่แล้วด้วยกันนี่ก็เป็นมงคลแต่และอย่างละอย่างพยายามอบรมตนเองอย่าให้เสียท่าเสียทีที่เกิดมันเป็นมนุษย์ เรียนก็เรียนมามากหาจากความรู้ความฉลาดาความได้ความรู้ความฉลาดสำหรับตนให้มีความสะดวกการสมายใจนี้จะเป็นความเหมาะสมกับผู้เรียนเพื่อความรู้ความฉลาดเพื่อตัวเองจริงจิการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมปกว่าเป็นความยุติธรรม